การที่พวกเราได้มาฟังเทศฟังธรรมกันได้มาปฏิบัติธรรมกันนี้เป็นการกระทาที่ดีที่สุดที่มีคุณมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับจิตใจของพวกเราไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าเท่ากับผล ที่เราจะได้รับจากการศึกษาจากการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผลที่พวกเราจะได้รับกันก็คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่เองไม่มีการกระทาอันใดในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้เกิดมรรคสี่ผลสี่ นิพพานหนึ่งขึ้นมาได้มีแต่การศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วนำเอาพระธรรมคำสอนที่ได้ศึกษามาปฏิบัติเท่านั้นถึงจะทำให้เกิดมรกคสีผลสีนิพพานหนึ่งขึ้นมาได้การที่จะทำให้ผลนี้เกิดขึ้นมาได้มากได้น้อยได้เร็วหรือช้า ก็อยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัตินั่นเองว่าจะศึกษามากปฏิบัติมากหรือศึกษาน้อยปฏิบัติน้อยศึกษาแล้วปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนี่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมา การปฏิบัติการศึกษาของพวกเรานี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกนี้เป็นเหมือนระดับมือสมัครเล่นระดับที่สองนี้เป็นระดับมืออาชีพในเบื้องต้นพวกเราก็จะอยู่ในระดับต้นก่อนคือระดับมือสมัครเล่นเพราะเรา ยังมีภารกิจการงานต่างๆที่เรายังมีความเกี่ยวข้องอยู่ที่ยังไม่สามารถที่จะเลิกการกระทำเหล่านั้นได้เราจึงมีเวลาไม่มากมีเวลาในช่วงวันหยุดการทำงานเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างวันนี้ พวกท่านก็มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ใช้เวลาว่างนี้มาศึกษามาปฏิบัตินี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติเป็นการศึกษาในระดับต้นคือระดับมือสมัครเล่นเหมือนกับเวลาที่เราเล่นกีฬา เราก็จะไปเล่นในช่วงวันหยุดซึ่งไม่เหมือนกับพวกนักกีฬามืออาชีพเขาจะเล่นกีฬาซ้อมกีฬาทุกๆวันเพื่อที่เขาจะได้เข้าแข่งขันเพื่อรับรางวัแลแต่พวกนักกีฬามืออาชีพนี้ก็เล่นไปเพื่อความผ่อนคลายเพื่อเสริมสร้าง กำลังของร่างกายโดยไม่ได้หวังที่จะไปแข่งขันเอารางวัลแต่อย่างใดพวกเราที่ยังเป็นมือสมัครเล่นของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมอยู่ก็ไม่ได้หวังผลมากจากการปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นนี้เพราะผล จะเกิดขึ้นไม่ได้มากนั่นเองได้พอที่จะทำให้เรามีความร่มเย็นเป็นสุขเป็นพักๆเป็นช่วงๆแต่ผลที่จะให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขอย่างต่อเนื่องอย่างสม่บเสมอตลอดเวลานี้จำเป็นจะต้องอยู่ในการปฏิบัติในระดับ มืออาชีพการปฏิบัติการศึกษาระดับมืออาชีพก็คือต้องทําแบบนักบวชคือจะไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องนอกจากการศึกษาการปฏิบัติธรรมและภารกิจเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกาย และที่อยู่อาศัยของร่างกายเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วจะไม่มีภารกิจอย่างอื่นเช่นภารกิจในการหาลาบยศสัรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิมกายนี้จะไม่มีจะไม่ทาเพราะจะมาแย่งเอาเวลาที่มีคุณค่า ของการศึกษาของการปฏิบัติทําไปจะทําให้ผลเกิดขึ้นน้อยและเกิดขึ้นช้าถ้าอยากจะได้ผลเร็วและมากจําเป็นจะต้องปฏิบัติจําเป็นจะต้องศึกษาแบบมืออาชีพต้องปฏิบัติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับ ถึงจะได้ผลที่เลิศที่ประเสริฐผลที่สูงสุดได้ดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องเริ่มที่ในขั้นในระดับของมือสมัครเล่นไปก่อนเพราะเรายังไม่สามารถที่จะตัดภารกิจการงานต่างๆที่เรายัง เกี่ยวข้องอยู่ได้แต่เราก็ควรที่จะพุ่งเป้าไปสู่การปฏิบัติที่เต็มรูปแบบในระยะเวลาต่อไปข้างหน้าในเบื้องต้นนี้ขอให้เรามาศึกษาและมาปฏิบัติเพื่ออย่างน้อยก็ขอให้เราได้สัมผัสกับผลตัวอย่าง เหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อสินค้าหรือไปซื้อของบางครั้งเราก็อยากจะดูสินค้าตัวอย่างก่อนอยากจะดูถ้าเป็นอาหารก็อยากจะชิมอาหารก่อนดูว่าเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกับที่เรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้ เรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันในช่วงวันหยุดในช่วงวันที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการ ง, งานต่างๆเพื่อที่เราจะได้สัมผัสกับผลของการศึกษาของการปฏิบัติพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้สัมผัสแล้วเราจะได้รู้คุณค่าของผล ที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วก็จะทำให้เรานั้นเกิดมีศรัทธาที่แรงกล้ามีฉันทะวิริยะที่จะมุ่งมั่นสู่การศึกษาสู่การปฏิบัติเต็มรูปแบบต่อไปนี่คือเป็นขั้นตอนเหมือนกับการเรียนหนังสือ ในเบื้องต้นเราก็เข้าลงชั้นอนุบาลก่อนชั้นอนุบาล น, นี้เราก็ไม่ได้เรียนอะไรกันมากมายเป็นการไปปรับตัวของเราให้เข้าสู่ระบบของการศึกษาพอเราปรับตัวได้เราก็เข้าสู่ชั้นประถมชั้นมัธยมตามลำดับต่อไปได้ชั้นใดเราก็ต้องปรับตัว ปรับชีวิตของเราปรับการกระทําของเราให้เข้าสู่การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นเราก็ทําในช่วงวันหยุดการวันหยุดจากการกระทําการงานต่างๆอย่างวันนี้วันเสาร์และพรุ่งนี้วันอาทิตย์แทนที่เราจะไปทําอะไรอย่างอื่น ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายเรากลับมามาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลของการปฏิบัติถึงแม้ว่าจะไม่มาก แต่ก็จะทำให้เราพอที่จะรู้ว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ดีกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ดีกว่าผลที่เกิดจากการทำภารกิจการงานต่างๆเช่นลาบยศสรรเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย จะไม่มีความประทับใจเหมือนกับผลที่เราได้รับจากการศึกษาจากการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพอเราได้สัมผัสกับผลที่เป็นเหมือนกับสินค้าตัวอย่างแล้วก็จะทำให้เรามีศรัทธามีฉันทะวิริยะมีความยินดี มีความอุตสาหะภาคเพียนที่จะศึกษาและปฏิบัติให้มากขึ้นเพื่อผลที่จะได้รับมากขึ้นไปตามลำดับต่อไปเราก็จะลดภาระกิจการงานต่างๆให้น้อยลงไปแล้วเพิ่มเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรม ให้เพิ่มมากขึ้นไปจนในที่สุดเราก็จะสามารถตัดภารกิจต่างๆไปได้หมดและได้ปฏิบัติได้ศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างเต็มรูปแบบได้ถ้าเป็นชายก็ออกบวชได้เป็นหญิงก็บวชได้หรือถ้าไม่สามารถบวชได้มีอุปสรรคในบางเรื่องบางอย่าง ก็ให้ปฏิบัติที่บ้านของตนถ้าเป็นบ้านที่มีความสงบไม่มีความวุ่นวายกับบุคคลต่างๆเช่นอยู่ตามลำพังได้ก็สามารถที่จะปฏิบัติเต็มรูปแบบได้เช่นเดียวกับผู้ที่ไปบวชอยู่ในวัดสถานที่นี้ขอให้เป็นสถานที่สงบ ที่ไม่มีอะไรมารบกวนมาขัดขวางการศึกษาการปฏิบัติก็ถือว่าเป็นวัดเหมือนกันถือว่าเป็นที่ที่เราสามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันโดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้อง ไปอยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์โดยตรงเสมอไปถ้าไปได้ก็ดีถ้าไปไม่ได้เราก็มีตัวแทนของครูบาอาจารย์อยู่ที่บ้านของเราอยู่กับตัวของเราเช่นหนังสือธรรมะหรือสื่อต่างๆเช่นแผ่นซีดีแผ่นวิดีโอที่เราสามารถที่จะดูจะฟัง คำสอนของครูบาอาจารย์ได้ดังนั้นเรื่องของการหาสถานที่ปฏิบัตินี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะต้องค้นคว้าหาดูว่าที่ไหนจะเป็นที่เหมาะกับตนก็สำคัญขอให้เป็นที่สงบเป็นที่ไม่มีภารกิจ การงานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมากจนเกินไปให้มีภารกิจเฉพาะการดูแลรักษาอัตภาพร่างกายและที่อยู่อาศัยของตนก็พอถึงแม้ว่าจะไปได้ไปอยู่ที่วัดแต่ถ้าเป็นวัดที่ไม่สงบเป็นวัดที่มีภารกิจการงานต่างๆเช่นภารกิจการก่อสร้างการกระทำอะไรต่างๆมากเกินเหตุเกินผล จะไปเรียกสถานนั้นว่าเป็นวัดก็ไม่ได้เพราะวัดนั้นจะต้องเป็นวัดที่สงบสงบัดวิเวกและมีแต่ภารกิจของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมเท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นวัดได้ถ้าเราสามารถทําบ้านของเราให้เป็นที่ศึกษาที่ปฏิบัติธรรมได้เราก็ถือว่าเรามีวัด ไว้สำหรับการปฏิบัติแล้วนี่ก็คือเรื่องของขั้นตอนของการศึกษาของการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะต้องเริ่มจากระดับมือสมัครเล่นไปก่อนแล้วค่อยก้าวเข้าสู่ระดับมืออาชีพต่อไปเพราะ ผู้ที่จะได้รับผลคือมรสีผลสี่นิพพานอย่างนี้รวนเป็นผู้ที่เป็นมืออาชีพท้งนั้นคือเป็นนักบวชทางนั้นครูบาอาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พวกเรากราบว่าบูชาที่เราเคารพนับถือที่เรารู้ว่าได้บรรลุมรสีผลสี่นิพพานหนึ่งนี้แล้ว ล้วนเป็นผู้ปฏิบัติมืออาชีพทั้งนั้นถ้าเราอยากจะได้ผลเช่นเดียวกับท่านเราก็ต้องปฏิบัติแบบเดียวกับท่านคือปฏิบัติแบบมืออาชีพดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเหตุที่จะทําให้เราไม่ได้รับผลนอกจากการศึกษาการปฏิบัติของเราเท่านั้น ที่จะเป็นผู้ที่จะมาขัดขวางถ้าเราปฏิบัติไม่สมบูรณ์เช่นไม่ครบทั้งองค์สี่คือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเราก็จะไม่สามารถรับผลได้เพราะผลนี้เกิดจากเหตุเหตุก็คือการปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบนี่เองดังนั้นเราต้องดูการปฏิบัติของเราเป็นหลักการที่เราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เราก็ต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก่อนถ้าเราไม่รู้วิธีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างไรเราจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ และการที่เราจะเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายก็คือการได้ไปศึกษาได้ไปอยู่กับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองเพราะเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับท่านท่านจะได้คอยเตือนคอยบอกเราให้รู้ว่าเรากําลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ถ้าเราปฏิบัติตามลาพัง เราจะอาจจะไม่รู้ว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ก็ได้ดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีที่พักที่บ้านของเราเป็นที่ปฏิบัติธรรมแต่เราก็ควรที่จะเข้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบ้างเพื่อที่จะได้ให้ท่านคอยตรวจตราดูการปฏิบัติของเราว่า ถูกหรือไม่ถูกดีหรือไม่ดีการมีครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่นี้จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากต่อผู้ปฏิบัติธรรมถ้าไม่สามารถหาครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ได้เราก็ต้องเอากูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นครูบาอาจารย์ของเรา mm hmm. เช่นพระพุทธเจ้า หรือพระอาหารหันตสาวกรูปใดรูปหนึ่งที่เรามีความเคารพนับถือที่เรามีคำสอนของท่านที่เราสามารถที่จะศึกษาได้เราก็ต้องอาศัยคำสอนของท่านเป็นผู้นำทางแต่มันจะสู้กับการที่เราได้มีครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ พอท่านจะสามารถเตือนเราได้ทันทีทันใดเวลาที่ท่านเห็นว่าเรากําลังปฏิบัติไม่ถูกทางแต่ถ้าครูบาอาจารย์ที่เราได้ใช้เป็นผู้นำทางนี้เป็นผู้ที่ล่วงลับไปแล้วท่านจะไม่สามารถที่จะมาเตือนเราได้เราต้องเตือนตัวเราเอง เราต้องมีความรอบคอบเราต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ศึกษาอยู่เรื่อยๆเราก็จะหลงเหลืมได้การฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นภารกิจที่คู่ไปกับการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านทรงพูดไว้ว่า ปริยัติกับปฏิบัตินี้ไม่ได้แยกออกจากกันปริยัติกับปฏิบัตินี้ไปคู่กันไม่เหมือนกับสมบัยนี้ที่จะมีการแยกปริยัติออกจากการปฏิบัติเช่นให้เรียนปริยัติธรรมไปจนถึงจบบาลีปรียัติก้าแล้วค่อยออกปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าและคุ ครูบาอาจารย์คือพระอาหารหันต์ตาวกทั้งหลายท่านสอนให้กระทำท่านสอนให้ศึกษาควบคู่ไปกับการปฏิบัติเช่นเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านจะเรียกมาอบรมอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้าท่านมีธาตุขันธ์ที่เป็นปกติมีเวลาว่าง ที่เป็นปกติท่านก็จะคอยอบรมผู้ที่มาศึกษากับท่านอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้รู้จักทางเพื่อที่จะได้ไม่หลงทางถ้าสอนครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้เป็นเดือนนี้ผู้ฟังจะลืมได้เพราะว่าในใจของผู้ฟังนี้มีกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชา ที่จะคอยดึงให้ออกนอกลู่นอกทางได้ตลอดเวลานั่นเองการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นเรื่องที่จะคอยสกัดกั้นอิทธิพลของโมหะอวิชชาที่จะมาคอยดึงใจของผู้ปฏิบัติให้ออกนอกลู่นอกทางดังนั้นถ้าเราไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ต้อง ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าบางทีอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ฟังธรรมได้อยู่เรื่อยๆนอกจากฟังธรรมของท่านแล้วก็อ่านหนังสือของท่านก็ได้อย่างสมัยที่เราอยู่กับหลวงตานี่ทุกวันเราจะเปิดหนังสือของหลวงตาอ่านประมาณวันเราชั่วโมงอ่านหนังสือต่างๆที่ท่านเขียนไว้ที่ท่านเทศไว้ มันก็ทําให้เรามีความรู้มีแสงสว่างคอยนําทางอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องมาคอยให้ท่านมาเรียกประชุมมาเรียกอบรมสมัยก่อนนี้ที่ต้องมีการอบรมด้วยวาจาก็เพราะว่าไม่มีหนังสือให้อ่านกันการศึกษาในสมัยก่อนไม่แพร่หลายเหมือนในสมัยนี้พระที่บวชนี้บางท่านก็ ไม่มีการศึกษาอ่านหนังสือไม่ออกก็จําเป็นจะต้องอาศัยการฟังเพื่อเป็นการศึกษาเวลาใดที่ไม่ได้ฟังเวลานั้นก็ไม่ได้ศึกษาแต่สมัยนี้เรามีการศึกษาเรามีสื่อทำหลายรูปแบบด้วยกันมีทั้งหนังสือที่เราอ่านได้ มีทั้งวิดีโอที่เราดูได้มีทั้งซีดีที่เราฟังได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสําคัญท่านบอกว่าเรื่องการศึกษาและการปฏิบัตินี้มีความสําคัญเท่าเท่ากันเพราะว่าจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้ถ้าศึกษาอย่างเดียวไม่ปฏิบัติผลก็จะไม่เกิด ถ้าปฏิบัติโดยไม่ศึกษาก็จะปฏิบัติผิดได้ปฏิปฏิบัติหลงทางได้ผลก็จะไม่เกิดเช่นเดียวกันผลที่เกิดก็ไม่ใช่เป็นผลที่จะนำพาจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ได้ทำให้เกิดมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งขึ้นมา เช่นผู้ปฏิบัติแล้วได้ผลทางด้านอิทธิฤทธิปาฏิหาริน้เป็นต้นอันนี้ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่มีครูบาอาจารย์คอยสอนก็จะหลงคิดว่าเป็นมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งขึ้นมาก็ได้แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นมันเป็นโลกิยวิชาเป็นเป็นวิชาที่ไม่สามารถที่จะ ทำจิตให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้วิชาความรู้หรือผลของการปฏิบัติที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้ต้องเป็นมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งและผู้ที่จะเข้าสู่มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี้ได้นี้ต้องมีศีลมีสมาธิ มีปัญญาศีลก็ต้องเป็นศีลระดับศีลนักบวชขึ้นไปศีลห้านี้ไม่พอเพียงต่อการปฏิบัติเพื่อทำจิตใจให้สงบถ้าจิตใจไม่สงบก็จะไม่สามารถเจริญปัญญาได้จะไม่เห็นธรรมได้ยกเว้นผู้ที่เคยได้อบรมจิตมาแล้วในอดีต ที่สามารถบรรลุธรรมได้ ท, ทันทีทันใดที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งๆที่ยังเป็นค า, ารวะเป็นผู้ที่ถือถือศีลห้าอยู่อันนี้ถือว่าเป็นกรณียกเว้นท่านได้มีบุญบรารมีที่ของเก่าค้างๆอยู่ในจิตในใจท่านเคยมีสมาธิมาก่อนแล้วพอได้ยินได้ฟังธรรม ก็สามารถมองเห็นธรรมที่ได้ยินได้ฟังทันทีภายในใจของตนเองอย่างนี้ก็เป็นเรื่องกรณียกเว้นเช่นผู้ที่เป็นคารวาสญาติโยมแล้วบรรลุปเป็นพระโสดาบันยังไม่ได้ถือศีลแปดไม่ได้ออกบวชแต่พอได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีดวงตาเห็นธรรมปรากฏขึ้นมา แต่สำหรับบุคคลทั่วๆไปผู้ที่ยังไม่เคยสะสมศีลสมาธิปัญญามาก่อนจำเป็นที่จะต้องมีศีลขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้ายังไม่เคยมีศีลห้าก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วก็ควรที่จะรักษาศีลแดเพิ่มขึ้นในเบื้องต้นก็ส่งสอนให้รักษาศีล8ในวันธรรมนะสวรร ในวันพระคืออย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งให้มาถือศีลแดกันแล้วในวันที่ถือศีลแปก็ให้ปฏิบัติทำกันแบบเข้มข้นคือให้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆไปให้หมดแล้วเอาเวลาทั้งหมดมาให้กับการเจริญสติมาอยู่ในวัดอยู่ตามสถานที่สงบสงบ ถ้าอยู่ตามลาพังได้ปรีกวิเวทได้ก็ยิ่งดีให้เจริญสติแล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบให้ได้ทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาเป็นเอกคัตตารมสักแต่ว่ารู้ให้ได้ทำใจให้เป็นอุเบกขาพอใจเป็นอุเบกขาแล้วก็จะสามารถเห็นธรรมต่าง ปรากฏขึ้นมาที่มีอยู่ภายในใจได้จะเห็นทั้งธทมที่ดีและทมที่ไม่ดีได้คือเวลาเห็นความโลภความโกรธความหลงความอยากปรากฏขึ้นมาก็จะรู้ว่าเป็นธรรมที่ไม่ดีเพราะว่าจะมาทำลายความสงบความเป็นอุเบกขาของใจแล้วก็จะเห็นทมที่ดีที่จะมาคุ้มครองมารักษา อุเบกขามาคุบมครองรักษาความสงบสุขของใจเช่นปัญญาที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทุกเพราะไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่เขาไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะไปสั่งให้เขาเป็นได้ พอไปเกิดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นไปตามความอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเรามองไม่เห็นอนัตตามองไม่เห็นว่าเขาเป็นเหมือนดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศพวกเราไม่ค่อยทุกข์กับฝนฟ้าอากาศกันเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นอนัตตา เรารู้ว่าเขาไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่เราจะไปสั่งไปบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้แต่กับบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเรากลับมองไม่เห็นว่าเขาเป็นอนัตตาเหมือนกันเรากลับไปมองเห็นเขาว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นบุตรเป็นพิดาเป็นสามีเป็นภรรยาพอเห็นว่าเป็นอย่างนี้ก็เกิดอุปทานขึ้นมาในใจว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเพราะไม่ได้พิจารณาทำอย่างละเอียดนั่นเองไม่พิจารณาให้เห็นว่าสัพเพธรรมะอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา รับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นอนัตตาทั้งนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี่มาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและธาตุรู้คือใจใจที่มีโมหะอวิชามีกิเลสตัณหาคอยบงการนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้พิจารณากันเราจึงเกิดตัณหาความอยาก ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบคนนุคคลนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้นั่นเองนี่คือเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องเจริญพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วขณะที่เราอยู่ในสมาธินี้ไม่ใช่เวลาจเจริญปัญญาเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเจริญปัญญาในตอนนั้น เพราะกิเลตันหาโมหะวิชาไม่ได้ทํางานจะเจริญปัญญาได้นั้นควรจะเจริญเวลาที่ออกจากสมาธิแล้วการที่เราอยู่ในสมาธินี้เป้าหมายของเราก็คือต้องการสร้างตั้งการสร้างอุเบกขาให้มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นไปตามลําดับเราอยู่ในสมาธิได้นานเท่าไหร่อุเบกขาของเรา ก็จะมีกําลังมากขึ้นไปเท่านั้นถ้ามีกําลังมากเท่าไหร่ก็จะสามารถต่อต้านต่อสู้กับอํานาจของโมหะอวิชากิเลสตันหาได้มากขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นเหตุผลที่เรานั่งสมาธิกันทําใจให้สงบกันนี้ก็เพื่อให้ได้เกิดอุเบกขานี่พอเกิดอุเบกขาแล้วก็ต้องพยายามประครับประคองรักษา ให้มันตั้งอยู่เป็นอุบเบกขาให้ได้นานที่สุดและไม่มีที่ไหนจะตั้งใจให้เป็นอุบเบกขาได้ดีที่สุดเท่ากับขณะที่อยู่ในสมาธิเพราะเวลานั้นไม่ต้องมารับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางตาหูจมูกนิ้วกายและผ่านทางความคิดปรุงแต่งใจเราก็จะมีฐานที่มั่นคง แต่เวลาที่ต้องออกมาจากสมาธิแล้วเวลานั้นแหละถึงเป็นเวลาที่เราต้องเจริญปัญญาถ้าเราอยากจะรักษาอุเบกขาให้ตั้งอยู่ต่อไปให้มีความสงบสุขอยู่ต่อไปเพราะเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาใจจะเพิใจก็จะกระเพื่อมใจก็จะสั่นใจก็จะหมุน ใจก็จะไม่สงบไม่เป็นอุเบกขาแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะระ ง, งับตัณหาได้นอกจากปัญญาเท่านั้นปัญญานี้จะรับระ ง, งับตัณหาได้อย่างถาวรถ้าใช้สติก็จะระ ง, งับได้ชั่วคราวเช่นถ้าเรายังไม่รู้จักใช้ปัญญาเราก็ต้องใช้สติไปพังๆก่อนออกจากสมาธิมาเราก็ต้องบริกรรมพุทธโธต่อไป หรือคอยกำหนดใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าปล่อยให้คิดแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดตัณหาตามมาถ้าควบคุมความคิดไว้ให้ได้ตัณหาก็จะไม่เกิดเพราะความคิดปรุงแต่งจะไม่เกิดเมื่อไม่เกิดตัณหาอุเบกขาก็ยังจะคงอยู่ต่อไปได้แต่เวลาใดที่เผลอปล่อยให้ใจคิด แล้วพอเกิดตัณหาขึ้นมาไม่มีความสามารถที่จะใช้ปัญญามากาจัดตัณหานี้ได้ใจก็จะเริ่มวุ่นขึ้นมาจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเหมือนกับคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนอก็มีทางเดียวเท่านั้นที่จะหยุดนี้ได้ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ถ้ารู้ว่าใจวุ่นมากไม่สามารถหยุดด้วยปัญญาได้ก็ต้องใช้วิธีของสติ ก็ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราใช้การบริกรรมพุทโธเป็นเครื่องกล่อมใจถ้าเราใช้อารมณ์อื่นก็ใช้อารมณ์นั้นอารมณ์ใดก็ได้ที่ทำแล้วทำให้ใจสงบได้เราก็ต้องใช้อารมณ์นั้นทำใจให้กลับเข้าสู่ความสงบไว้ก่อนแล้วเวลาออกมาจากสมาธิก็มาหัดเจริญปัญญา วิธีที่จเจริญปัญญาท่านก็ให้คิดในแนวของตายลักนี่แหละให้มองทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่นิ่งไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีการเจริญมีการเสื่อมมีการเกิดมีการดับเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปยับยัง้งไปห้ามได้ เป็นอนัตตาถ้าใครอยากจะไปห้ามอยากจะไปเปลี่ยนเขาไม่ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะผิดหวังก็จะเสียใจจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือแนวทางของการเจริญปัญญาให้คิดไปในแนวของตรรัษณ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม เป็นวัตถุสิ่งของหรือเป็นบุคคลก็เป็นเหมือนกันเป็นอนิจจังเหมือนกันสิ่งของก็มีการเจริญมีการเสื่อมเวลาได้อะไรมาใหม่ๆหมมันก็ดีสวยงามใช้งานได้ดีแต่พอใช้ไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเก่าลงไปเริ่มชำรุดทรุดโทรมเริ่มเสียหายต้องมีการซ่อมบำรุงมีการรักษา แล้วเมื่อซ่อมบำรุงรักษาไม่ได้ก็ต้องหมดสภาพไปไม่ว่าจะเป็นข้าวของหรือเป็นบุคคลก็เป็นแบบเดียวกันหรือการกระทําของบุคคลแต่ละบุคคลนี้เขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางเวลาเขาก็อารมณ์ดีเขาก็คิดเขาก็พูดดีทาดีบางอารมณ์บางเวลาเขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็พูดไม่ดีทาไม่ดี เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมอารมณ์ของเขาได้เพราะแม้แต่อารมณ์ของเราเรายังบางทีควบคุมไม่ได้เลยแล้วเราจะไปควบคุมอารมณ์ของคนอื่นได้อย่างไรไปสั่งให้คนอื่นเขาดีไปเรื่อยๆได้อย่างไรเราต้องพิจารณาด้วยปัญญาแบบนี้แล้วเราจะได้ปล่อยวางได้เราจะได้ไม่เกิดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราจะรู้ว่าเราต้องรับเขาตามที่เขาเป็นเวลานี้เขาดีก็รู้ก็รับว่าดีก็รู้ว่าดีเวลาที่เขาไม่ดีก็รับรู้ว่าไม่ดีเท่านั้นความจริงแล้วดีหรือไม่ดีมันก็ไม่เกี่ยวกับเราความดีและไม่ดีของคนอื่นมันก็เรื่องของคนอื่นผู้ที่จะรับผลดีไม่ดีก็เป็นผู้ที่สร้างความดีหรือไม่ดีนั่นแหละ ไม่ได้อยู่ผู้ที่มารับรู้ว่ารับรู้ความดีหรือไม่ดีของผู้อื่นคนอื่นเขาดีก็ไม่ได้ทำให้เราดีตามไปด้วยคนอื่นเขาไม่ดีก็ไม่ได้ทำให้เราไม่ดีตามไปด้วยนอกจากเราเป็นหลงเท่านั้นเองพอเขาไม่ดีแล้วเราก็เกิดความโกรธขึ้นมาเราก็ไม่ดีไปอีกแบบหนึ่งไม่ดีด้วยความโกรธ แต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสักแต่ว่ารู้ได้รู้ว่าเป็นอย่างนี้แหละโลกนี้เป็นอย่างนี้มีขึ้นมีลงมีดีมีไม่ดีสลับกันไปอยู่ตลอดเวลาจะไปหวังอะไรจากในโลกนี้ไม่ได้สิ่งเดียวที่เราหวังได้ก็คือมรรสีผลสีนิพพานหนึ่งที่จะเป็นสิ่งที่ถาวร เป็นสิ่งที่จะดีกับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนะดังนั้นเราควรที่จะพุ่งเป้าไปที่มรรสผลสีนิพพานหนึ่งดีกว่าที่เราจะไปพุ่งเป้าไปกับสิ่งของต่างๆในโลกนี้กับบุคคลต่างๆในโลกนี้ปล่อยให้เขาดีให้เขาไม่ดีไปเป็นเรื่องของเขาถ้าเขาดีเขาก็เป็นเหมือนเพชรนินจินดา ถ้าเขาไม่ดีก็เป็นเหมือนเศษขยะมันก็อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เขาจะดีเราจะไปทำให้เขาเป็นเศษขยะก็ไม่ได้เขาเป็นเศษขยะเราจะไปทำให้เขาเป็นเพชรนินจินดาขึ้นมาก็ไม่ได้เขาเป็นผู้กระทาตัวเขาเองให้เป็นอย่างนั้นปัญหาของเราก็คือเราไปอยากให้เศษขยะเป็นเพชรนินจินดาเท่านั้นเอง พอไม่เป็นก็เลยเสีย อ, อกเสียใจหุ่นหวายใจขึ้นมาเราต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาว่าดีหรือไม่ดีเป็นเพชรนินจินดาหรือเป็นขยะแล้วอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเราเป็นขยะก็รู้ว่าเขาเป็นขยะเราเป็นเพชรนินจินดาก็รู้ว่าเขาเป็นเพชรนินจินดาเช่นอะไรเป็นเพชรนินจินดาก็คือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่ง อันนี้เป็นเพชรอินจินดาทําไมเราไม่เข้าหาสิ่งนี้ทําไมเราชอบไปหาขยะกันไปหาสิ่งที่โสโปรกทําไมพอไปเล่นกับขยะเราก็ต้องเปื้อนไปด้วยโสโครกไปกับขยะถ้าเราไปเล่นกับเพชรอินจินดาเราก็จะไม่สโปรกดังนั้นขอให้เราพยายามดึงจิตใจของเราให้เข้าหา มัลสีผลสีนิพพานหนึ่งด้วยการหมั่นศึกษาหมั่นปฏิบัติเพอทําคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นไปตามลําดับจนประจนัจนปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่เปื่อนจนหลับได้นี้พระพุทธเจ้าได้ส่งพยากรณ์ไว้ว่าเจ็ดวันก็ได้ผลถ้าเจ็ดวันไม่ได้ก็เจดเดือน ถ้าเจ็ดเดือนไม่ได้ก็ไม่พน้นไม่เกินเจปีอย่างแน่นอนนี่แหละเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าพวกเราให้ความสำคัญต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยการเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมา แล้วพอได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิก็ให้รักษาความสงบที่ได้จากสมาธินี้ด้วยสติหรือด้วยปัญญาหรือ ด, ด้วยทั้งสติด้วยทั้งปัญญาได้ก็ยิ่งดีถ้ารักษาด้วยสติก็จะรักษาได้เป็นพักๆเป็นชั่วคราวไปจะไม่ถาวรแต่ถ้ารักษาด้วยปัญญานี้จะรักษาได้อย่างถาวร เพราะปัญญานี้จะทำลายตัวที่จะมาทำลายความสงบของใจพอไม่มีอะไรมาทำลายความสงบของใจใจก็จะสงบไปตลอดเวลาเป็นปรมังสุขขังไปตลอดเวลาอย่างใจของพระพุทธเจ้าละใจของพระอาลัยตสาวกทั้งหลายถึงแม้ว่าจะไม่มีสรีระร่างกายแล้วแต่ใจของท่านก็เหมือนใจขอ ง, ของพวกเรา ที่ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าท่านไม่มีร่างกายเหมือนเราเท่านั้นเองแต่ใจของท่านไม่เหมือนกับเราตรงที่ว่าใจของท่านเป็นปรมังสุขขังดาจใยของพวกเรายังเป็นปรมังทุกขังอยู่ยังมีความทุกข์คอยเหยียบย่าทาลายอยู่ตลอดเวลาเพราะเรายังไม่สามารถกำจัดเหตุที่มาสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่ใจของเราได้นั้นเอง เหตที่ทำให้ใจของเราทุกข์ก็คือโมหะอาวิชากิเลสตัณหาที่ยังไม่ได้รับการกาจัดด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติธรรมนี้เองดังนั้นเราต้องพยายามปฏิบัติต้องพยายามศึกษาให้มากขึ้นไปตามลาดับให้พุ่งเป้าไปอยู่ที่การปฏิบัติเต็มรูปแบบถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์ถ้าเราอยากจะได้ สิ่งเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับการปฏิบัติของเราก็ต้องเป็นเหมือนกับของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอรหันตสาวกทั้งหลายความแตกต่างของพวกเรากับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกก็อยู่ที่การศึกษาที่การปฏิบัตินี้เองไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนเพราะร่างกายของท่านกับร่างกายของเราก็มีอาการส2เหมือนกัน มีผมขนแด้ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันหมดจิตใจของท่านก็มีเหมือนกันเป็นจิตใจที่ไม่ตายเหมือนกันเป็นจิตใจที่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันมีจิตใจที่มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเหมือนกันต่างตรงที่ว่าท่านมีการศึกษามีการปฏิบัติเต็มที่นั่นเอง ถึงทำให้ใจของท่านแตกต่างจากใจของพวกเราใจของท่านเป็นใจบริสุทธทิ์พุทโธแต่ใจของพวกเรานี้ยังไม่ได้เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ยังมีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาครอบงำอยู่ยึงทำให้เรายังมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆ อ, อยู่ในขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตรงนี้เอง อยู่ที่การไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างตลอดเวลาสังเกตดูเวลาใดที่เราศึกษาเราปฏิบัติเวลานั้นเราจะไม่ค่อยมีความทุกข์เท่าไหร่เวลาใดที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสะของโมหะอวิชากิเลสตาาัณหาเวลานั้นใจเราจะวุ่นขึ้นมา ท, าทันทีใจเราจะทุกข์ขึ้นมาทันที แล้วก็เวลาทุกแทนที่จะกลับเข้าหาธรรมะก็ไม่เข้ากิเลสมันก็ฉลาดมันก็หลอกล่อให้เราติดอยู่กับเรื่องนั้นแหละถ้าเราหันเข้าหาธรรมะกลับมาบริกรรมพุทโธพุทโธกลับมาทําใจให้สงบปัญหาต่างๆเหล่านั้นมันก็จะสงบตัวไปถ้าเรายังไม่มีปัญญาก็ต้องใช้การเจริญสติการเข้าสมาธิ เป็นการระ ง, งับปัญหาไปชั่วคราวก่อนถ้าเรามีปัญญาถ้าเราสามารถมองเห็นตายรักษณ์ในสิ่งต่างๆที่ทําให้เราวุ่นวายใจได้เราก็จะสามารถระ ง, งับความวุ่นวายใจได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธินี่คือเรื่องที่เรายัางต้องปฏิบัติกันให้มากคือการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมา ให้เป็นอาวุธใกล้ตัวเราตอนนี้สติสมาธิปัญญานี้ยังเป็นเหมือนอาวุธที่เราเก็บไว้ในตู้อยู่เวลามีโจรผู้ร้ายบุกขึ้นบ้านที่เราถึงไปเปิดตู้เอาปืนเอาอาวุธออกมาต่อสู้มันก็จะไม่ทันการโจรผู้ร้ายมันบุกมาถึงตัวเราก่อนแล้วก่อนที่เราจะเอาอาวุธมาต่อสู้กับมันได้แต่ถ้าเราพกอาวุธติดกายไว้ติดคู่กายไปตลอดเวลา เหมือนกับนักรบที่เขาอยู่ในสนามรบนี่เขานอนกอดปืนเลยเขาไม่เอาปืนทิ้งห่างกกลจากตัวเขาเพราะเขาไม่รู้ว่า้าศึกศัตรูจะลุกเข้ามาได้เมื่อไหร่เมาลุกเข้ามาเมื่อไรเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้ได้ทันทีถ้าเขามีอาวุธอยู่ข้างกายฉันใดเราต้องสร้างอาวุธให้มันอยู่ข้างกายของเราให้ได้สร้างสติสร้างสมาธิ สร้างปัญญาให้อยู่คู่กับใจของเราให้ได้ถ้าเรามีสติสมาธิอยู่คู่ใจแล้วเราจะสามารถทำลายข้าศึกศัตรูต่างๆที่จะมาคอยทำลายความสงบสุขของใจที่จะมาคอยสร้างความวุ่นวายใจสร้างความปั่นป่วนใจให้เกิดขึ้นหน้าที่นี้ไม่มีใครทําแทนเราได้เหมือนกับทหารที่อยู่ในสนามนกนี้ ไม่มีใครจะมาคุ้มครองนักรบได้ต้องตัวเองต้องเป็นผู้คุ้มครองตัวเองเพราะนักรบนักต่อสู้ทุกคนก็ต้องต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของตนเองไม่มีใครจะมาคอยคอยช่วยเราได้นันนดค่้าศึกษัตรูของใจที่มีอยู่ในใจของเราก็ไม่มีใครที่จะมาช่วยทำลายได้ ช่วยได้อย่างมากก็เพียงแต่สอนวิธีต่อสู้สอนวิธีทาลายค่าศึกศัตรูเท่านั้นแต่เมื่อเวลาเข้าสู่สนามรบแล้วเวลาปรากฏกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาขึ้นมาในใจแล้วไม่มีใครที่จะมาต่อสู้แทนเราได้มีแต่สติสมาธิปัญญาเท่านั้นที่จะต่อสู้ให้กับเราได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา เราก็จะไม่มีอาวุธไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเราก็จะต้องพ่ายแพ้ไปโดยปริยายต้องยกทงขาวย่อมยอมแพ้ไปถ้าเราแพ้แล้วเราจะได้ความเป็นอิสระภาพได้อย่างไรเราก็ยังจะต้องถูกจองจำอยู่ในวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเราจะ หลุดพ้นจากการจองจำในวะะัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ก็ก็ต้องเราต้องชนะข้าศึกศัตรูของเราทุกครั้งที่ค้าศึกศัตรูลุกข้ามานี้เราต้องฆ่าเขาให้ได้ต้องเอาชนะเขาให้ได้ถ้าเราชนะเขาแล้วเราก็จะเป็นอิสระเราก็จะไม่ถูกจองจำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้อีกต่อไป เราต้องเป็นผู้กระทำเองอัตตาหิตอัตโนนาโถไม่มีผู้ใดจะทําแทนเราได้ถ้าเราไม่ทําเราไม่มีความเพียรเราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จะไม่มีวันหลุดพ้นจากอิทธิพลของโมหะอาวิชากิเลสตัณหาได้แต่ถ้าเรามีความภาคเพียรมันเพียรเจริญสติ ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับอันนี้เป็นงานหลักเลยเป็นงานพื้นที่ต้องต้องทำตลอดเวลาพอตื่นขึ้นมาปั๊บนี้ต้องมีสติไวลาต้องคอยควบคุมใจแล้วไม่ให้ใจคิดเพ่นพ่านไปเรื่อ ง, องนั้นเรื่องนี้แล้วให้ใจอยู่กับปัจจุบันถ้าจะคิดก็ให้คิดกับเรื่องที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันเรื่องที่จำเป็นเช่นอาบน้ำอาบท่าก็ต้องคิด แต่คิดเกี่ยวกับเรื่องอาบน้ำอาบท่าเท่านั้นไม่ไปคิดถึงเรื่องการทำมาหากินเรื่องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปทำธุรกิจกับคนนั่นคนนี้ตอนนั้นยังไม่ถึงเวลาเวลานี้กำลังทำหน้าที่อาบน้ำอาบท่าก็คิดอยู่กับเรื่องอาบน้าอาบท่าไปให้อยู่กับเรื่องปัจจุบันไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ไปอดีตอย่าปล่อยให้ไปในอนาคต ก่จะทำให้เกิดตันหาขึ้นมาได้ถ้าอยู่ในในปัจจุบันนี้จะมันมันจะไม่เกิดมันจะว่างมันจะเย็นมันจะสบายถ้าคิดอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ไม่ได้ก็ใช้พุทโธดึงเอาไว้ก็ได้ทํางานไปก็ท่องบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปนี่เป็นงานหลักที่เราต้องถือเป็นภารกิจสาคัญเหมือนกับลมหายใจเข้าออกเลย ถ้าเราหยุดนมหายใจเข้าออกเมื routine, to to freely, ่อไหร่เมื่อนั้นเราตายฉันใดเมื่อเราหยุดเจริญสติเมื่อไหร่เมื่อนั้นการเจริญในธรรมของเราก็ตายไปนั้นกันเพราะเราจะไม่มีวันที่จะเจริญในธรรมได้เราจะไม่มีวันที่จะได้สมาธิเมื่อเราไม่ได้สมาธิเราจะไม่มีวันที่จะได้ปัญญาเมื่อเราไม่ได้ปัญญาเราก็จะไม่ได้มรรสีผลสีนิพพาน นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆให้เห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของการเจริญสติเมื่อเราเห็นคุณค่าเหมือนกับเหมือนกับการเห็นคุณค่าของลมหายใจเก็เราไม่ยอมหยุดหายใจเลยใช่ไหมถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจะท้อแท้เบื่อหน่ายชีวิตขนาดไหนเราไม่บอกว่าหยุดหายใจแล้วต่อไปนี้จะไม่หายใจแล้วเราก็ยังหายใจของเราอยู่ไปเรื่อยๆ สันใดถ้าเรารักษาสติของเราเหมือนกับเรารักษาลมหายใจรับรองได้ว่าทำต่างๆจะต้องเจริญขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะสตินี่แหละเป็นผู้ปลุกทำต่างๆให้เกิดขึ้นมานั่นเองทำเออนต่างๆนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้โดยปราศจากสติเช่นคนนอนหลับคนไม่มีสตินี้จะทำอะไรให้เกิดขึ้นได้หรือเปล่า หรือคนที่เมาเหล้านี้จะทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้หรือเปล่าหรือคนที่เป็นบ้านี้คนที่เสียสตินี้จะทําให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาได้หรือเปล่าฉันใดคนอย่างพวกเราที่ไม่เจริญสติก็คล้ายๆกับพวกคนทั้งสามแบบนี้แหละเหมือนกับคนบ้าเหมือนกับคนเมาเหมือนกับคนนอนหลับถ้าเราไม่เจริญสติเพราะผลมันก็จะไม่เกิดขึ้นมาเช่นเดียวกัน ผลก็คือสมาธิปัญญาและวิมุตติความบุญพ้นจากกิเลสอาสาวะจากโมหะอาวิชชาเราต้องพิจารณาอย่างนี้เราถึงจะได้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเห็นคุณค่าแล้วเราจะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับการเจริญสติเมื่อเราจเจริญสติอย่างต่อเนื่องแล้ว สมาธิก็จะตามมาเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะพิจารณาเห็นธรรมได้เห็นตายรักได้เห็นอริยสัจสี่ได้เมื่อเห็นธรรมเห็นตายรักเห็นอริยสัจสี่ก็จะตัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาได้พอไม่มีกิเลสโมหะอาวิชชาจิตใจก็สะอาดบริสุทธิ์บรรลุมัคคีผลสี่นิพพานเห็นได้นี่คือขั้นตอนของธรรมต่างๆ เหมือนกับการศึกษาที่เราต้องเรียนจากชั้นอนุบาลขึ้นไปสู่ชั้นปถมสู่ชั้นมัธยมสู่ชั้นอุดมศึกษาระดับปัญญาตรีโทเอกข้ามชั้นไปไม่ได้ข้ามขั้นไปไม่ได้ยกเว้นในกรณียกเว้นบุคคลที่เป็นอัจฉริยะที่สามารถเรียนปีหนึ่งได้สาสามชั้นสี่ชั้นอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องของผู้มี ความรู้ความสามารถที่พิเศษเท่านั้นแต่สำหรับคนทั่วไปนี้ต้องไปปีละชั้นปีละขั้นไปดังนั้นขอให้พวกเราจงคิดเสมอว่าการที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมประธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่เราได้ทำให้กับตัวเรานั้นดีที่สุดแล้วเป็นของขวัญอันเลิศอันประเสริฐแล้ว เพราะไม่มีการกระทำอันใดในโลกนี้ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เราได้มร4ีผลสีนิพพานเหมือนได้นอกจากการศึกษาการปฏิบัติพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยาทถาวาริวาหาปุระปาริปุเรนติสกากรังเอวเมวอิโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสลิจตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยาทถามณิโชติ ภราสยทาสะพีติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนศสีลิตสานิจจังวุทธาปจายโนยตาโรธรมมวัานติอายุวโนสุขัง าามีใครในศาลานี่อยากจะถามปัญหาธรรมหรือเปล่าถ้ามีใครอยากจะถามก็ขอถามผ่านไมโครโฟนได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวก็จะให้คุณต่อถามปัญหาจากทางอินเทอร์เน็ต มันจะพานือข้ า, น ข, าขนาดนั่งนั่งแล้วเบาสบายน้ำตามันไหลไม่อยู่ต่างก็ไม่เป็นไรก็ให้มันไหลไปอภาวนาต่อไปถ้าพุทโธก็พุทโธต่อไปเดี๋ยวมันไหลได้มันก็หยุดได้มันเป็นเรื่องของใจเวลามันสงบมันก็จะมีอาการต่างๆปรากฏบางทีก็ขนลุกบ้างบางทีก็แสงสว่างปรากฏขึ้นมาค่ะก็ไม <t> ่เป <t> ็นไรก็ ขอให้ภาวนาต่อไปจนกว่ามันจะหายไปหมดของพวกนี้มันไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ชั่วแต่อย่างใดผลที่เราต้องการก็คือความว่างความสงบความนิ่งถ้ามันยังไม่ว่างไม่สงบไม่นิ่งก็ภาวนาต่อไปอยากจะทักเออเอามใกล้ๆปากหน่อยอนั่งแบบตาตาเนาะ นอกมันหลับแต่ตาในมันสว่างะค่ะแต่แบบว่าพอนั่งนั่งไปแล้วเขาเราก็ไม่สนใจอะไรเนี่ยแต่มันดูอยู่กับลมกับจมูกอยู่ระหว่างเนี้ยนี่ก็หลับแล้วก็มันมีอะไรลอยมาเขาขาวแล้วเราก็ไม่สนใจเอออย่าไปสนใจอะไรทั้งนั้นให้สนใจอันนี้ทันนี้พอไม่นสนใจนี่ลมที่อุ่นๆมันไม่อุ่นเลยนี่มันเป็นเย็น พอมันเย็นเย็อนออกมาอันนี้มันพอเย็นเย็อนออกมานะข้าวมันมีกินออกมาค่ะมันเหม็นคนะ่ะไอตัวมันออกมาเหม็นๆคนะ่ะก็ไม่เป็นไรก็รู้ไปดูลมต่อไปรู้ว่าเหม็นก็รู้ว่าเหม็นรู้ว่าหอมก็รู้ว่าหอมอาจาบอกว่าหายใจอยากก็รู้ว่าหยาบหายใจละเอียดก็รู้ว่าละเอียดรู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปปรุงแต่งกับมันให้รู้เฉยๆแล้วมันมันทาถูกป่ะคะ ถ้าถ้ารู้ถ้ารู้เฉยๆก็ถูกถ้าไม่รู้เฉยๆรู้แล้วไปเกิดอารมณ์กับมันก็ไม่ถูกขอยาไม่อยากเห็นเลยไม่อยากก็ผิดแล้วอยากก็ไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ได้ให้อยู่กับความจริงดูลมไปเรื่อยๆแม้แต่ลมหายไปก็รู้ว่าลมหายไปไม่ต้องไปตกใจกลัวว่าไม่มีลมหายใจแล้วจะตายถ้ามีตัวรู้อยู่ไม่ตาย ให้มีตัวรู้อยู่ให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้เฉยๆอย่าไปมีอารมณ์ปรุงแต่งกับอะไรแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสงบต่อไปได้ถ้าไปมีอารมณ์ไปมีความอยากมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นเข้าใจนะ ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอพิชาโตและทางกลุ่มธรรมะบนเขานะครับคำถามข้อแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับข้อที่หนึ่งการภาวนาถ้าถนัดบริกรรมพุทโธก็พุทโธไปอย่างเดียวช้าบ้างถี่บ้างจุดประสงค์เพื่อควบคุมความคิดโดยไม่ต้องคาดหวังว่าจิตจะรวมเป็นอุเบกขาใช่ไหม เรารู้อย่างเดียวคืออยู่กับพุทธโธใช่แล้วก็ให้อยู่กับพุทธโธไปมันจะสงบไม่สงบสงบช้าเรื่อเร็วเรื่องมากหรน้อยก็เป็นเรื่องของมันเรื่องของเราก็คือการบริกรรมพุทธโธของเราไปเราก็บริกรรมไปเรื่อยเรื่เหมือนกับการรับประทานอาหารมันจะอิ่มชา้าอิ่มเร็วอิ่มมากอิ่มน้อยก็เรื่องของมันเรื่องของเราก็คือตักอาหารเข้าปากเคี้ยวแล้วก็เกินเข้าไป ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็อิ่มเองข้อที่สองแล้วถ้ายังไม่สงบบางทีท้อเบื่อเกีียตัวเองต้องมีอุบายดัดจิตใจที่ดื้อยังไงเช่นตั้งใจอดน้ำไปเรื่อยๆได้ไหมหรือไม่นอนให้อยู่ในอิอริยาบถสามยืนเดินนั่ง วิธีการไหนที่สามารถแก้ปัญหาของเราได้ก็ใช้ได้ทั้งนั้นคนแต่ละคนก็มีอุบายไม่เหมือนกันบางคนก็ทรมานด้วยการอดอาหารบางคนก็ทรมานด้วยการถือสามีเรียบทอันนี้ก็สุดแท้แต่อุบายของแต่ละคนที่จะเอามาใช้ในการกำราบกิเลสตัณหาต่างๆข้อ 2.1 นะครับ เวลาท้อจากการภาวนาไม่ก้าวหน้าต้องทําอย่างไรแต่ไม่ถอยแน่นอนท่านก็สอนให้เราเลิกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหาเหมือนกับเราท่านก็มีความท้อแท้เหมือนกันแต่ท่านไม่ถอยท่านไม่เลิกท่านก็สู้ต่อไปเวลาไหนสู้ไม่ไหวก็ผ่อนหน่อยก็ได้พักสักหน่อยก็ได้ มีกําลังก็กลับมาสู้กันใหม่แต่ไม่เลิกไม่ถอยถ้าเราลึกถึงพระพุทธเจ้าลึกถึงพระธรรมคําสอนเราลึกถึงพระอาหารหันตสาวกเราก็จะเกิดสติเราก็จะเกิดกําลังใจขึ้นมาความท้อแท้เบื่อน่ายก็จะหายไปแลบางทีเวลาที่เราท้อแท้ก็เปิดฟังธรรมะไปก็ได้ฟังเทศของครูบาอาจารย์แล้วจะเกิดกําลังใจขึ้นมา ครูบาอาจารย์ท่านถึงเรียกมาอบรมอยู่เรื่อยๆทุกห้าวันหกวันเจ็ดวันนี้ท่านจะเรียกประชมุมอ๋อได้ฟังเทศฟังธรรมของท่านแล้วเหมือนป่าได้นะ้ำมันมันดีดมันดิ้นมันมันมีพลังขึ้นมาธรรมะนี่คือเขาเรียกพลังธรรมเป็นอย่างนี้พลังของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางทีเราลืมไปเราไม่คิดถึงท่านเราก็เลยเหมือนกับไม่ได้เติมน้ํามัน พอไม่ได้เติมน้ำมันพอน้ำมันหมดมันก็วิ่งไม่ได้รถวิ่งไม่ได้ขณะใจเราพอขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องผักดันใจมันก็จะท้อแท้เบื่อหน่ายแต่พอเราเราเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนกับเราได้เติมน้ำมันพอได้เติมน้ำมันรถก็วิ่งฉลุดไปเลยพุ้ดไปเลยคำถามข้อต่อไปเป็นคำถามจากมีโยมฝากถามมานะครับ การสอนของพระอาจารย์สอนได้ไปถึงขั้นพระนิพพานถึงการหลุดพ้นการเข้ามาฟังธรรมจากศรัท ธ, ธาญาติก็หลากหลายและเยอะขึ้นโดยเฉพาะขั้นเบสิกหรือเริ่มต้นก็มีหลายคนเป็นห่วงสุขภาพท่าดขันพระอาจารย์เกรงว่าจะเหนื่อยทั้งทางที่ระดับพระอาจารย์สอนขั้นแอดวานซ์หรือขั้นสูงแล้วคิดอย่างนี้ถูกหรือไม่ ไม่ต้องไปกังวลเรื่องของคนอื่นอ่ะกังวลเรื่องของตัวเราแล้วกันพยายามดูแลรักษาร่างกายจิตใจของเราให้มันอยู่อย่างปกติสุขก็ใช้ได้เรื่องของคนเรื่องของใครเป็นเรื่องของมันคือตัวใครตัวมันแต่ละคนจะต้องดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตนเองดังนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องของคนอื่นการไปกังวลเรื่องของคนอื่นนี่ทำให้ไปทําให้คนอื่นเขาลําบาก พ่อชอบไปยุ่งกับเขาชอบไปบังคับให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้กินอย่างนู้นกินอย่างนี้เพอเขาไม่ทําตามไม่กินตามก็โกรธขึ้นมาเสียใจขึ้นมาอีกแล้วปล่อยเขาต่างคนต่างอยู่เรื่องของร่างกายจิตใจของแต่ละคนนี่แต่ละคนจะต้องเป็นผู้ดูแลเองถ้าเดือดร้อนหรือขาดหรืออะไรก็จะบอกเองถ้าไม่บอกก็ถือว่าไม่ขาดไม่เดือดร้อนไม่ต้องยุ่งน คำถามข้อต่อไปจากคุณญิง N นทนะครับถ้าในบ้านมีหลานชายดื้อร้อนดื้อรัน้นไม่เล่าเรียนเอาแต่เที่ยวและเสพติดผู้เป็นย่าร้อนใจเสมอเสมอคนในครอบครัวปวดหัวกับพฤติกรรมเสมอเสมอมีวิธีทางใดให้หลานคนนี้กลับใจฝ่ายดีได้บ้างเจ้าคะผู้เป็นย่าแม่และคนในครอบครัวต้องทำอย่างไร ดยต้องสั่งสอนเขาให้เขาเห็นคุณเห็นโทษของพฤติกรรมของเขาถ้าเราสอนแล้วเขาไม่เห็นเขาไม่ทาตามก็ต้องตัดทางปล่อยวัดคําถามข้อต่อไปจะคุณก๊อปนะครับคําว่าสัญญาละเอียดอ่อนมากเป็นเครื่องมือของกิเลส ข, ขอพระอาจารย์เมตตาข้อทำด้วยครับ ขอถามเรื่องปฏิบัติ บ, ตบางครั้งในเวลาชีวิตประจําวันเวลามีเรื่องให้กระเทือนใจหรือเรื่องอะไรที่ต้องหยุดความคิดนั้นนอกจากพุทธโธลูกใช้สรงภาพพระพุทธรูปบ้างแสงสว่างบ้างอันนี้จะเป็นกิเลสประเภทหนึ่งไหมครับอะไรที่สามารถมาหยุดความคิดตงแต่งได้ก็เป็นธรรมทั้งนั้นเป็นสติทั้งนั้น สตินี้เครื่องมือของสตินี้มีอยู่ถึงสี่สิบชนิดด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบพวกแสงพวกสีนี้แท่งก็อยู่ในจัดไว้นี้ในกลุ่มของกระินสิบไอ้กระสินสิบไม่ใช่กระิน <laughs> <laughs> สกระสินก็ให้เรานึกถึงสีต่างๆสีเขียวสีแดงสีดำสีอะไรเพ่งอยู่กับสีนั้นมันก็จะหยุดความคิดตรุงแต่งได้ เราจะเพ่งพระพุทธรูปก็ได้พระพุทธรูปนึกถึงพระพุทธรูปแล้วเราไม่สามารถไปคิดเรื่องอื่นได้ก็ใช้ได้ดังนั้นอุบายวิธีของแต่ละคนในการควบคุมจิตใจหยุดความคิดปรงแต่งนี้จึงหลากหลายด้วยกันไม่สามารถที่จะม า, าบังคับวา่าต้องใช้แบบนั้นแบบนี้ที่ใช้คาว่าพุทธโธก็เห็นว่ามันเป็นเหมือนกับข้าวข้าวเปล่านี้กินได้ทุกคน ข้าวเปล่านี้กินได้ทุกคนแต่กับข้าวนี้บางคับให้กินไม่ได้บางคนก็ชอบซ่มตาบางคนก็ชอบก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็เหมือนกันกับข้าวมันก็กินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันแต่ข้าวเปล่านี้มันทุกคนกินได้หมดก็เลยมักจะเอาข้าวเปล่ามานี้เป็นเป็นอาหารหลักไว้ก่อนไปกินที่ไหนต้องมีข้าวใช่ไหมไม่ได้กินแต่กับอย่างเดียวแต่กับนี่มีหลากหลาย ชันใดกรรมฐานสี่สิบเพิ่ก็มีหลากหลายด้วยกันจะใช้อย่างไรก็ได้ถ้าไม่รู้จะใช้อะไรก็เอาข้าวเปล่าก่อนแนละเอาพุโทโธไปค่อนคำถามข้อต่อไปจากคุณแมนนะครับจปะปกคองชีวิตคนในครอบครัวให้มีความสุขให้ผู้จ่าดีมีอารมณ์ที่ดีให้คนในครอบครัวเต็มไปด้วยความรักความสงบประสุข ส่วนของเราที่เราทําได้ก็คือให้มีความเมตตาต่อกันมีมีพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามมฎิตาอุเบกขาเมื่อเรามีแล้วเขายังไม่เป็นตามก็ยังเป็นเหมือนเดิมหรือเขาไม่ดีขึ้นก็ช่วยไม่ได้ถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปเขาอยากจะไม่ดีก็เป็นก็เป็นเรื่องที่มันได้เกิดจากเราแล้ว แต่ถ้าเราไม่มีความเมตตากรุณามมฎิตาอุเบกขานี้อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เขาไม่ดีได้ดังนั้นเราต้องมาแก้ส่วนของเราทำส่วนของเราส่วนของเราก็คือเราต้องมีความเมตตากรุณาโมฎิตาอุเบกขากับทุกๆคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยแล้วเราจะไม่เป็นตัวไปสร้างปัญหาให้กับเขาส่วนถ้าจะเกิดปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่เขาสร้างขึ้นมาจากความอยากของเขาเอง จากความหลงของเขาเองดังนั้นเราจะไม่สามารถที่จะไปทำให้เขามีความสุขได้ไปเสมอความสุขความทุกข์นี้ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทาของเขาเองถ้าเขามีความโลภโมโทโสันมากเขาก็จะมีความทุกข์มากถ้าเขามีความโลภโมโทโสันน้อยเขาก็จะมีความทุกข์น้อยเขาจะต้องเป็นผู้กระทากาจัด ความโลภโมโทสันเองถ้าเขาอยากจะมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงเราไม่สามารถที่จะไปกาจัดความโลภโมโทสันของเขาได้คำถามข้อต่อไปจากคุณคนน่ารักนะครับโดยสงสัยว่าทำไมคนเราต้องเห็นแก่ตัวด้วยกันคะ คือคําว่าเห็นแก่ตัวนี้มันก็มีอยู่สองระดับด้วยกันความเห็นแก่ตัวที่เป็นธรรมกับความเห็นแก่ตัวที่เป็นกิเลสความเห็นแก่ตัวที่เป็นธรรมนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งเสียหายเพราะเราต้องดูแลรักษาตัวของเราเองเพราะไม่มีใครจะดูแลรักษาตัวของเราได้เช่นร่างกายของเรานี้ใครจะมาเลี้ยงดูร่างกายของเราได้ยกเว้นในขณะที่เรายังเป็นเด็ก เราก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่เลี้ยงดูเราไปก่อนแต่พอเราโตแล้วเราเลี้ยงดูตัวเราเองได้เราก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องดูแลตัวเราเองการเห็นแก่ตัวแบบนี้ไม่เป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทำให้ไม่เป็นภาระแก่คนอื่นส่วนการเห็นแก่ตัวด้วยการเอารัดเอาเปรียบหาความสุขหาประโยชน์ใส่ตนมากเกินไป ด้วยบนกองทุกข์ของผู้อื่นอย่างเนี้จะเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวแบบเป็นกิเลสไม่ควรจะกระทำเพราะการเห็นแก่ตัวแบบนี้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นทุกข์นั่นเองคำถามข้อต่อไปจะคุณปิยะนะครับเมื่อผลไม้สุกงอมเต็มที่แล้วถึงเวลาจะร่วงต้นไม้ซึ่งเปรียบเหมือนพ่อแม่ของผลไม้ลูกนั้นๆแม้จะกล่าวห้ามว่า ลูกเ อ, อ๋ยอย่าล่วงเลยอยู่กับพ่อแม่เถิดนะลูกเมื่อเราไม่ฟังจะเป็นลูกอกตันยูหรือไม่ผมอยากออกเต็มที่แล้วเพียงแต่รอกําหนดเวลาเท่านั้นรู้สึกไม่ชอบใจเลยเมื่อได้ยินการกล่าวห้ามอยู่อย่างนี้คือการอยู่หรือไม่อยู่นี่มันก็ต้องดูที่เหตุผลถ้าพ่อแม่เขายัางต้องพึ่งพาอาศัยเราอยู่ แล้วการไปของเราทาให้เขาเดือดร้อนนี่เราก็ถ้าไปอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีความกตัญญูแต่ถ้าการไปของเรานี่ไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนอาจจะทำให้เขาดีขึ้นเพราะเราไม่ต้องมาเป็นภาระกินข้าวมามาเป็นภาระให้เขาต้องมาเลียงดูเราการไปก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเพียงแต่ว่าการไปนี้ก็ไปเพียงแต่ร่างกาย แต่ใจนี้ก็ยังต้องําลึกถึงพกุลของพ่อของแม่อยู่เสมอและต้องมีการติดต่อมีการารับรู้สารทุกข์สุขจิตของการอย่างเสมอที่ต้องไปเพราะหนึ่งยังมีกิเลสตัณหายังอยากจะอยู่ตามความพอใจของตนอยู่กับพ่อแม่อาจจะไม่สามารถทำอะไรบางอย่างที่จะอยากจะทำได้ ก็เลยต้องไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าไปเพียงแต่เพื่อให้ได้มีสัด ส, ส่วนที่อยู่เป็นของตนเองเช่นอยากจะไปปฏิบัติธรรมนี้ก็ต้องไปจะออกจากบ้านไปเหมือนกันหรืออยากจะออกไปกินเหล้าเมายาเล่นการพ น, นันก็ต้องออกไปจากบ้านเหมือนกันจะมาทำในบ้านก็คงจะไม่ได้ ดังนั้นการออกไปนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรเมื่อถึงเวลาที่ไปได้ก็ไปแต่ต้องดูว่าไปแล้วผู้ที่เขามีพรอคุณกับเราเขาเดือดร้อนหรือไม่ถ้าเขาเดือดร้อนเขายัางต้องพึ่งพาอาศัยเราอยู่เราก็ต้องอยู่ต่อไปเพราะว่าเราเคยพึ่งพาอาศัยเขามาก่อนตอนที่เราออกมาจากท้องเขานี่ถ้าไม่มีเขาเราจะอยู่ได้หรือเปล่า พอตอนนี้เราไม่ปีกบินได้แล้วเราลืมพระคุณของเขาแล้วหรือยังไงตอนนี้เขาเพิ่งเราเขาเดือร้อนเขาไม่มีเราอย่างนี้ถ้าเราไปเราจะทำได้ลงคอหรือถ้าเรามีความเมตตามีความสำนึกในพระคุณของเขาดังนั้นการจะไปหรือไม่ไปก็ต้องพิจารณาให้รอบครอบก่อนคำถามข้อต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับ พระพุทธเจ้าตอบคำถามสุภัสและปริปาชกพาชกก่อนจะปรินิพาน ท, ที่สุภัทะถามข้อสองว่าสมณะภายนอกศาสนาของพระองค์มีอยู่หรือไม่แล้วพระพุทธเจ้าตอบว่าศาสนาใดไม่มีมัชมีองแ์ดสมณะผู้สงบถึงที่สุดก็ไม่มีในศาสนานั้นแสดงว่าหากนักบวชในพุทธศาสนา ไม่ได้เดินตามทางมักมีองแปดก็ไม่นับว่าเป็นนักบวชในพุทธศาสนาใช่หรือไม่รวมทั้งคนที่สอนไม่ครบมักมีองค์8ก็ถือว่าเป็นคําสอนนอกศาสนาใช่หรือไม่ถือว่าเป็นคําสอนที่ไม่ครบบริบูรณ์ดีกว่าก็ยังเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เพียงแต่ว่ายังไม่มีครบบริบูรณ์เช่นสอนมักเจแทนที่จะเป็นมักแป การปฏิบัติผลก็จะไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองจะบอกว่าไม่ใช่เป็นคําสอนในพระพุทธศาสน า, สนาก็ยังไม่ได้เพียงแต่ว่าอาจจะสอนไม่ครบขอให้เราดูตรงที่ว่ามรรคที่มีองแปดนี้ครบถ่วนบริบูรณ์หรือเปล่าถ้ามีครบถ้วนบริบูรณ์ก็ถือว่าเป็นคําสอนที่สมบูรณ์ถ้ายังไม่ครบก็ถือว่ายังเป็นคําสอนที่ไม่สมบูรณ์ จะถือว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดก็ยังไม่ได้ยังขาดยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์คำถามข้อต่อไปจากคุณชุติมานะครับเช้าวันหนึ่งออกไปทำงานไม่ทราบลูกแมวติดมาในกระโปรงรถแม้กระทั่งคอยระมัดระวังเปิดกระโปรงรถดูก็ยังพลาดไปได้ออกมาได้กลางซอยแล้วคงตกรถมาเข้าล้อรถ มาทราบเรื่องวันรุ่งขึ้นมีชาวบ้านเขาเห็นยอมรับถ้าเป็นบาปแม้ว่าเป็นคนถือศีลห้าหมดยุงไม่ฆ่าและยึดมั่นในศีลห้าเป็นที่สุดรวมทั้งหาเวลาถือศีลแปดบางครั้งกําลังใจตกบ้างสลับกันไปกลัวพระอาจารย์จะตอบว่าเป็นบาปเจ้าคะ่ะทำใจแล้วการกระทำอะไรที่ไม่มีเจตนา นี่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำบาปแต่การเสียหายที่เกิดจากการกระทำที่ไม่มีเจตนานี้มันก็เป็นความเสียหายถ้าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ถือว่ามันเป็นกรรมของผู้นั้นกันแล้วกันซึ่งมันอาจจะเกิดกับเราได้เช่นเดียวกัน เช่นเราขับรถออกไปคนเมาเหล้าขับรถมาชนเราตายได้ก็อันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันเขาก็ไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเราทำร้ายเราแต่เขาไม่มีสติที่จะควบคุมรถยนต์เขาขับมาแล้วก็ชนเราตายเราทําให้แมวตายเพราะเราไม่รู้ว่ามีแมวซ่อนอยู่ในรถของเราตกตกลงมาแล้วถูกล้อทับตายอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเป็นบาปกรรมของเราแต่อย่างใด แต่เป็นกรรมของสัตว์ไปเช่นเดียวกับเราถ้าเราต้องไปประสบกับอุบัติเหตุตายไปด้วยความความความความไม่มีสติของผู้อื่นนี่ก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไปแต่ว่าชีวิตนี้เราก็มีมีมีทมาได้แค่นี้ก็แล้วกันต้องไปต่อใหม่คำถามข้อต่อไปจะคุณปัตถมานะครับ ไปเที่ยวทัวร์ยุโรปเขาพาไปโบสถ์คิดเราเป็นพุทธเข้าไปดูศิลปะแต่ไม่ได้ไหว้พระเยซูจะได้ไหมเจ้าคะและบาปไหมไม่บาปหรอกได้ถึงแม้เขจะให้ไหว้ก็ไหว้ได้เหมือนเราไหว้คนอื่นได้ทําไมไว่าพระเยซูไม่ได้เรามีความเมตาตาต่อสรรพสัตว์การไหว้ถ้าเราไม่ได้ไหว้ด้วยความยึดถือเขาว่าเป็นสานะเป็นที่พึ่งเป็นอาจารย์ของเราก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเราไหว้ด้วยความ มีคารวะมีสัมมาคารวะรู้รู้ที่สูงที่ต่ำรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมเราไปไหนเราจะไม่ไปทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาจากการกระทำของเราแต่การว่านี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะน้อมเขาเข้ามาเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเป็นที่พึ่งของเราเพราะเรามีครูมีอาจารย์ที่ดีกว่าอยู่แล้วหมดแล้วเหร คำถามอินเทอร์เน็ตหมดแล้วครับแต่มีคำถามต่อเนื่องจากคำถามห่วงสุขภาพพระอาจารย์ครับคือเป็นอยากถามมานานแล้วครับคือว่ า, ามีโยมาบางท่านนะครับพระอาจารย์ที่ระยะหลังมานี้ไม่ได้ขึ้นเข า, าวันธรรมะบนเขาเลยโดยมีเหตุผลวา่าคนเยอะไม่อยากขึ้นมาอย่างเนี้ครับอย่างนี้เป็นความคิดที่ผิดหรือถูกครับพระอาจารย์ ก็แล้วแต่อธัธยาศัยมั่งบางคนก็ไม่ชอบคนเยอะเขาคิดว่าฟังธรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ฟังธรรมผ่านทางซีดีได้ก็ไม่เสียหายตรงไหนบางคนเขาก็อยากจะมาสัมผัสกับบรรยากาศฟังแล้วมันมีปิติมีความสุขเขาก็มาอันนี้เป็นเรื่องของอธัธยาศัยไม่เสียหายทั้งสองฝ่ายมาฟังกับคนเยอะๆก็ได้หรือจะฟัง ในที่พักของตนตามลำพังก็ได้เหมือนกันขอให้เราดูที่ผลเป็นหลักก็แล้วกันว่าผลนั้นดีหรือไม่ดีฟังคนเดียวรถดีกับฟังหลายๆคนก็ไปฟังคนเดียวถ้าฟังหลายๆคนดีกับฟังคนเดียวก็ฟังหลายๆคนแต่ละคนก็มีรสนิยมไม่เหมือนกันมีใจ <c oughs> <c oughs> อยากจะถามปัญหายไหม ปิดไม่อครับอาจารย์มถามพอปิดไมให้กลับกันแล้วก็มาถามกันมันต่อเนื่องคล้ายๆกับของคุณต่อค่ะเนื่องจากว่าธรรมะเนี่ยที่เกยเราแม้กระทั่งเรื่องฐานเราจะเห็นว่าพระอาจารย์จะสองไว้สอนระดับ ก็ะระดับหนึ่งคือพวกที่หัดทาทางจะอีกระดับหนึ่งเตรียมตัวจะเป็นนักชกมืออาชีพทีนี้บางคนพออ่านหนังสือปุ๊บเนี่ยเขาจะคิดว่าตัวเขาเองเป็นนักชกมืออาชีพกันไปหมดแล้วค่ะพอตอนหลักทานก็ไม่ทาภาวนาก็ไม่ทํามันอันนี้เท่าที่เจอก็เยอะขอควรบ้าท่าน ทีนี้เราจะทําอย่างไรให้เราแยกรู้ตัวว่าเราอยู่ในธรรมขั้นไหนทําอะไรเป็นยังไงก็ดูคนที่เขาเป็นมืออาชีพก็ทำอย่างไรคนที like ่มาบวชนี่เขามีสมบัติเข้าของเงินทองอะไรเขามีภารกิจการงานหรือเปล่านี่ใช่ไหมส่วนคนที่เป็นมือสมัครเล่นเขาเป็นอย่างไรก็ดูได้นี่เปตัวอย่างให้ดูไม่เห็นแตยากตรงไหนเลย เขาทำตรงนข้ามพอชวนหรือว่าจะให้ทำบุญก็บอกไม่จำเป็นละแต่เขาทำตรงข้ามก็คือว่ากลับไปทำมาหากินกันอย่างเต็มที่แทนที่เก็บตัวภาวนาค่ะก็ะ เ, เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราซะหน่อยเราไปยุ่งกับเขาทําไมคนในโลกนี้ก็ทํางานเต็มต้องเยอะแยะทาไมเราไม่ไปวุ่นวายกับเขาพอมาเจอคนที่อวดว่าภาวนาเป็นแต่ยังทํางานอยู่ก็เลยสงสัยเลย ก็เรื่องของเขาอะ่ะถ้าเขาไม่ได้มาขอความช่วยเหลือให้เราช่วยวิเคราะห์เราก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์เขาหรอกวิเคราะห์ตัวเราคนเดียวพอดูตัวเราสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เราดูตัวเราดูใจของเราดูว่าใจของเราวุ่นวายหรือใจของเราสงบใจของเราหาธรรมหรือหากิเลสเท่านั้นเองให้รู้ตรงนี้ก็พอ เรื่องของคนอื่นนี้ไปรู้เป็นร้อยเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราแต่รู้เรื่องของเราคนเดียวนี้เกิดกับประโยชน์ของเราอย่างมหาศาลจึงขอให้ย้อนกลับมาดูที่ตัวของเราด้วยสติให้ฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของใจของเราตลอดเวลาว่าเคลื่อนไปในทางธรรมหรือเคลื่อนไปในทางกิเลสเวลาเคลื่อนไปในทางกิเลสเราจะได้ยับยั้งมันได้ เวลาเคลื่อนไปทางธรรมเราจะได้สนับสนุนให้มันทําได้ ท, ทันทีแล้วพอเราทําไปเราเดินไปในทางธรรมมรรคผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วเราปล่อยให้เดินไปทางกิเลสความทุกข์ความร้อนความวุ่นวายใจต่างๆก็จะตามมาก็ดูตรงนี้แหละเป็นหลักนักภาวนาไม่ดูอย่างอื่นให้ดูแค่นี้เอง พระอาจารย์ครับาการที่เรามั่นใจในการปฏิบัติเรื่องการวางอุเบกขาของตัวเราเนี่ยถ้าเราวางอุเบกขาได้แล้วเนี่ยเราสามารถเอาตัวเราเข้าไปอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆเช่นเรื่องราวต่างๆใน facebook เรื่องไม่ดีเรื่องต่างๆหรือเรื่องดีเนี่ยเราตามดูเนี่ยแต่เราปล่อยวางอุเบกขาได้เนี่ยอย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกไหมครับพระอาจารย์คนที่มีอุเบกขาจริงๆไม่อยากจะไปรับรูเรื่องของใครแล้ว เรื่องแต่ไร้าสาระทั้งนั้นแต่ถ้าจําเป็นจะต้องไปก็ไปได้ถ้ามีเหตุให้ไปแต่ถ้าไม่มีเหตุแล้วท่านจะไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับทางโลกเท่าไหร่เพราะรู้ว่าโลกนี้มันเป็นกองฟืนกองไฟไร้าสาระใครอยากจะเข้าไปในกองไฟบ้างว่าพอเราออกจากกองไฟแล้วเราไม่มีใครอยากจะกลับเข้าไปหรอกเป็นแต่ว่าถ้ากลับก็กลับไปเพื่อช่วยเหลือคนที่ยังอยู่ในกองไฟให้ออกมา อย่างพระพุทธเจ้าอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านออกไปเทศตามสถานที่ต่างๆนั้นท่านไปด้วยความเมตตาท่านไปเพื่อที่จะฉุดลากผู้ที่ยังติดอยู่ในกองไฟแห่งกองทุกข์นี้ให้ได้มีโอกาสได้เล่นลอดออกมาท่านไปแบบเสียสละท่านไม่ได้ไปเพื่อหวังที่อยากจะไปรับรู้เรื่องราวต่างๆอะไรของโลกเลยเพราะท่านผ่านมาหมดแล้วท่านรู้แล้วว่ามันไร้สาระ มันไม่มีคนมีประโยชน์กับจิตใจมีแต่โทษกับจิตใจดังนั้นอยู่ห่างไกลจากมันได้เท่าไหร่ยิ่งดีแล้วถ้าหากว่าใช้เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเป็นบททดสอบนะครับอาจารย์จะไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องทดสอบแล้วพญานะถ้ายังต้องทดสอบก็แสดงว่ายังยังไม่มั่นใจเชิญใครอยากจะถามได้ต่อกาบเรียนถามนมัตส์ กับนัส ก, การ์นะคะเอ อ, อยากเรียนถามว่าเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิใหม่เลยอะคะ่ะคุณจะนั่งนานแค่ไหนคะก็นั่งให้นานที่สุดถ้าที่ยันั่งได้เหมือนกับไปขุดทองคุณจะขุดนานเท่าไหร่ดี <c oughs> คุณจะขุดแค่สองนาทีคุณก็ได้ทองสองนาทีถ้าคุณขุดทองห้านาทีคุณก็ได้ห้านาที <c oughs> ก็คือเริ่มได้ไปเรื่อยๆเลยนั่นแหละการนั่งสมาธิก็เป็นเหมือนการขุดทองเป็นทรพัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่มีค่าอย่างยิ่ง <c oughs> มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์ทั้งทั้งหลายในโลกนี้ <c oughs> ดังนั้นถ้าคุณนั่งถ้าคุณได้ผลแล้วคุณอยากจะนั่งไปทั้งวันเลยแต่ถ้ามันนั่งแล้วไม่ได้ผลนั่นแหะคุณถึงจะเกิดความท้อไม่รู้นั่งไปทําไมนั่งไปสู้ดูทีวีไม่ได้นั่งดูทีวีมันกว่าสนุกกว่า แต่ถ้านั่งแล้วได้ผลได้ความสงบแล้วมันจะไม่อยากได้อะไรเพราะผลที่ได้จากการนั่งนี้มันเหนือกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ค่ะการลดการค่ะหมดแล้วนะถ้าหมดแล้วจะได้ยุติการประชุมสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟัง ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ